เราจะพูดอย่างไรไปในทางที่ดีเราจะทำอย่างไรไปในทางที่ดีแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอันนั้นให้บอกได้เลยว่าเป็นบัณฑิตเราจิตใจของเราไฟสูงจิตใจของเราไฟสูงแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามอย่างที่ผหลวงพ่อพูดข้างต้นอันนั้นแปลว่าไฟไปในทางต่ำเป็นภาระชนถ้าไฟสู ง, งก็แือว่าไฟไปทางบัณฑิตนักปราช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 คิดไปทั้งโลกอยากจะได้อยู่ทั้งวีทั้งวันมันเป็นเรื่องโมหะมันเป็นเรื่องภาระชนทำไมเราจึงไม่คิดไปในทางเสียสละทางปล่อยวางทางคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่สจิตเข้าสู่ใจฮะอันนี้ไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเรา ท, ทุกทท่านเพราะนั่นให้ตรวจดูนะใจของเราเป็นภาระชนหรือเป็นบัณฑิต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 จะทำยังไงได้ถือว่าเอออันนี้กลัมเนี่ยกลัมเก่ากลัมคือการกระทำของเราในอดีตชาติเราคงจะทำกลัมไม่ดีไว้ในอดีตชาติมันมาให้ผลสำหรับเราแล้ ว, ลวถ้าเมื่อเราทาสุดความสามารถแล้วเราก็ต้องกลับตายอมรับยอมรับแต่ในใจไม่ยอมรับแต่ทางด้านวัตถุภายนอกนีเรายอมรับเพราะเหตุเพราะเราสู้เขาไม่ได้อย่างนี้มันก็มี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 ก็ได้ของไม่ดีเนี่ยถ้าแจกไปแจกพระไปรับนิมนต์ก็ไปในฐานสถานที่ไม่ดีเอี่ยเาเป็นกลั่มขององค์นั้นองค์นั้นคือไม่มีอั น, นิสงทานอั น, นิสงสีนอั น, นิสงทานมาก่อนพอแจกไปมันก็ได้ของที่ไม่ดีเอีหลายครั้งต่อหลายหนที่มันเจออย่างนั้นขึ้นมาองค์นั้นก็สะสมะความโกรธแค้นในจิตในใจเที่ยโมโหโทโสอยู่ในใจว่ากันเถอะอ่ะ เอ า, ถ, าถ้ามีโอกาสข้าจะต้องหาเรื่องให้เด่งพระองค์นีะที่เป็นกรรมการจัดอาหารหแจกแก่พระทั้งหลายทั้งปวงเน่จากนั้นท่านก็วันหนึ่งท่านก็หาเรื่องเสเียท่านไปสมคบกับนางภิกษุณีภิกษุณีภิกษุณีกับให้ข้าว่าเลวพอๆกันนะว่างั้นเถอะ เ, เลวพอๆกันถ้าว่าพระต้องการอะไรก็เอา รับลูกทันทีว่างั้นลักษณะอย่างนั้นอ่ะท่นนี้ก็ไปสมคบ พ, พูดกันว่าพิกษุณีเราในกวดแค้นพระ อ, อ, องค์นี่ละเกิน เ, เราจะหาเรื่องใส่นะให้เธอรับลูกเลยนะพิกษุณีก็ยอมรับทุกอย่างจากนั้นพระภูมิมัชกาภิกษุเนี่ยภูมิมัชกาภิกษุกระโจนขึ้นใท่ามกลางสงว่านพระทัพพมันระบุต์เนี่ยทําตนไม่ดีไม่ใช่พระ เพราะว่าการกระทาของพระพระทัพพมรบุตรเนี่ยไปทํามิดีมิร้ายกับเมตยาภิกษุณีที่ตีนเขาคิจกูดในเวลาเท่านั้นเออเท่านั้นลหละพวกที่ได้ยินก็นงงแตกเลยทีนีเออทั้งที่ถือว่าเป็นพระที่มีสีราจารวัตเป็นที่ยอมรับแต่พอโจดขึ้นมาเท่านั้นแหละคนทั้งหลายก็พระปุตชนทั้งหลายก็สนเท่สงสัย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 มาทักท้วงขึ้นมานี่ยนี่แหละพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างนะแต่เรามาพิเคราะห์นำมาพิจรารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วมีคนดีและมีคนชั่วในยุคสมัยนั่นก็ชั่วเหมือนกันแต่ท่านกด็ดีอีกเหมือนกันเนี่ยอันนี้หลวงพ่อยกขึ้นมาประเด็นนี้ก็คือเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาว่าให้เชื่อในกลัมผลของกลัมกลัมคือการกระทาของตนเอง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 แต่สรรเสริญเยนยอทีเดียวก็ไม่ได้จะให้เขาด่าทั้งวีทั้งวันก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นมันมีได้ทั้งนั้นและโรกกระทำแปดเมื่อโรกกระทำแปดเข้ามาเราก็ยินดีสี่อย่างเราก็ไม่ยินดีอีกสอย่างแต่ทำยังไงจะไม่ให้โรกกระทำเข้ามาหาตัวเองเป็นไปไม่ได้โรกกระทำเนี่ยมันอยู่ในมวลมวนมนุษยชาติแต่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าแทาๆ้ๆก็ยังถูกด่าถูกว่า เอไปอยู่เมืองอุตเชนีคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอพระอนุ์บอกว่าพระพุทธเจ้าควรจะหนีประเทศอื่นเมืองอื่นเขายกย่องเชิดชูบูชามี่อต่างเยอะแยะทําไมจะมาให้เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้เพราะนางเมียของพระเจ้าอุเทนอัคคะมมเหสีของพระเจ้าอุเทนไม่พอใจกับพระพุทธเจ้า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 เมื่อเขายกย่องเทิดทูลบูชาในโลกธรรมสีที่เราต้องการเราก็คิดในแก่เอออันนี้ลาบเกิดแก่เรายศเกิดแก่เราสรรเสริญเกิดแก่เราเออสุขเกิดแก่เราอีกสักวันหนึ่งเถอนะน อ, อไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต้องทําใจเอาไว้แต่เมื่อเขาดา่าอย่างที่ว่านั่นเออมื่อเสื่อมลาบเมื่อเสื่อมยศเอเมื่อถูกนินทาเมื่อมีทุกข์เราก็คิดเอาไว้ว่าอืม เ, อเรา